เริ่มคุ้นแหลเยอะกว่นเนาะก่อนไปหาครูบาอาจารย์ฟังคำต้องจำเอาต่ <c oughs> นั่งจดแล้วโดนท่านว่าเอาใช้วิธีจำจำเนาะไปฟังคุู ด, ดูแล้วง่ายจำง่ายท่านพูดไม่กี่ประโยคอางกันบ้างก็หลังจากอาทิตย์ทีแล้วค่ะได้ข่าวอยู่นะแล้วก็ รู like ้ส yeah, ึกว่ารู้ตัวไวขึ้นคือไดยาวมันบางครั้งก็ได้ยาวขึ้นแล้วก็ไวขึ้นแบบได้บ่อยขึ้นนะคะได้ดีและว็ได้เนี่ยรู้น้อยกว่าเขากคือช่วงหลังๆเนี่ยค่ะพยายามที่จะแบบเวลาเดินออกจากห้องแล้วจะไปทำงานอะพยายามจะแบบรู้ ตัวค่ะพยายามท่องพุดโธรละเก้าเดือนนะคะคือเหมือนกับว่าหนูก็ไม่มั่นใจว่าหนูบอกว่าทำถูกหรือเปล่าแต่ว่าก็เหมือนจะโอเคแนะนําว่าเหมือนเราว่าเวลาเดินก็ถ้าเกิดเราไม่รู้ก็ให้ท่องพูดโพรอ ย, อย่างเงี้ยค่ะก็พยายามท่องแล้วพยายามเวลาช่วงทำงานเนี้ยจากเมื่อก่อนไมู่ีตัวก็พยายามจะมีตัวมากขึ้นเทศกาลรายงานผลนี่นะพวกพี่ๆนะอกสั่งฝัญหาย <c oughs> ให้เดี๋ยวโดหนหล่อเล่นงานว่าสอนไว้ยังไงดีแล้วพุโทโธไปพุโทโธทั้งวันเลยนะพุโทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราแต่ไม่ใช่พุโทโธให้ใจนิ่งนะพุโทโธแล้วดูใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพุโทโธเป็นชื่อของจิตจิตนั่แหละคือพุโทโธผู้รู้ผู้สื่อผู้บก บ, บาทเราท่องคําว่าพุโทโธพุโทโธเป็นเหนือตกปลานะจิตจริง ๆ, ๆนั่นแหละคือตัวปลา เมื่อเราพุโทโธไว้ใจหนีไปคิดก็รู้ใจสงบใจผู้สั้นให้คอยรู้ใจให้รู้ใจที่เปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าท่องพุโทโธแล้วใจก็ซึมซึมไปงั้นใช้ไม่ได้แก้วจะรายงานว่าไงหนึ่งแก้วใช้ท้าเท้านี้อ้อยมีตัวนั ว, น ว, นวอยู่ชั้นหนึ่งแล้ว เมื่อกี้ใจมันก็ไปเกาะกับโนนัวพอเห็นมันก็เกาะลอยบ้างเกาะบ้างบ้างพอโนนัวนันวนนะ้นมันก็เป็นโมหะอย่างหนึ่งโมหะเนี่ยพอปรันี้ขึ้นนะค่อยๆใสขึ้นโมหะที่สําคัญเลยวิชานะใสปิ้งเลยสว่างใสเบิกบานเป็นที่ล่อให้หลงไอโนนัวก็เป็นโมหะ ไอ้อมืดๆก็โมหะนะเป็นโมหะแบบแย่ๆหน่อยส อ, สองวันที่ออกไปทำงานนะคะหลวงพ่อแล้วมันมีงานให้ตรวจเยอะมากค่ะพอเมื่อวานตอนกลางวันเนี่ยมันเห็นว่าใจเราเนี่ยมันมันเหมือนฟุ้งแบบระดับปรมานูเลยค่ะหลวงพ่อมันกระเพื่อมแบบไหวอย่างรุนแรงพอพอไปเห็นปุ๊บใจมันจะเริ่มเหมือนกับลำพันรู้สึกว่าเราหลงมาตั้ง ตั้งนานเลยอะค่ะแล้วพอไปเห็นใจที่มันจะรำพันมันมันตั้งมั่นแล้วก็รู้ไปตั้งแต่ตรงนั้นได้เลยเนั่นแหละไม่ยากอะไรถ้อรู้ลงปัจจุบันเราก็ง่ายอะไรก็ได้จะรู้ลงปัจจุบันทั้งหมดปัญหานี่มันจะมีกิเลสที่ชื่อกุก่ขุดจัจะหลอกเรากุก่ขุดจานี่เป็นความเล่าร้อนใจที่ว่ากุศลยังไม่ได้ทําำกุศลยังไม่ได้ละนี่อย่างเราไปอยู่กับโลก ถ้ารอบร้อนขึ้นมาว่าตายแล้วไม่ได้ปฏิบัตินมันหลอกแทนที่ว่ารู้ว่าใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนี่ได้ปฏิบัติแหละหรืมั ว, มวแต่รำพันนะแต่ถ้ารู้ทั น, นี่ไม่เป็นไลยอ้าวเลยเป็นไงเลยไม่มีอะไรเลยอัศจรรเป็นไรรุ่นอนะ ก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะคือเผลอไปแล้วก็รู้แล้วก็กลับมาประคองค่ะแต่ว่าตัวประคองมันจะรู้สึกว่ามันไม่หนักเหมือนเดิมแต่ก็กลับไปกลับมาเืีเมื่อดูต้องกลับไปกลับมาก็ทํางานเองทั้งวันทั้งคืนดูอย่างนั้นเลยดูจนปัญญามันแจ้งเลยจิตนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา่ไม่เที่ยงแล้วเราสั่งไม่ได้สั่งให้ดีไม่ได้สั่งให้สุขไม่ได้ ไปจนใจมันยอมนะก็เห็นว่าจริงๆแล้วจิตตั้งมั่นมันก็ไม่เที่ยงจิตไม่ตั้งมั่นมันก็ไม่เที่ยงมันต้องอย่างนั้นสิมันเลือกไม่ได้นะะเออมันเลือกไม่ได้ลุกสิธิ์หลวงพ่อก็ต้องอย่างนั้นแหละถ้าลุกสิษย์หลวงพ่อแล้วใจตั้งมั่นเดือนหนึ่งสามเดือนที่รุ่มใจตายเลยห้องพ่ออาจจมีข้อสงสัยอย่างนีงนะคะรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหนียวห้าห้าอย่างมุ้ยด้วยกันนะคะ แล้วก็เหมือนเหนียวไว้เฉยๆแต่ว่าบังคับอะไรไม่ได้เลยจะรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวเราอะแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันเหนียวไว้เฉยๆแต่ว่าบังคับอะไรเขาไม่ได้บ<อ>ังคับไม่ได้หรอกใจมันจะยึดติดเกาะไว้แล้วไม่รู้สึกว่าเหมือ๊ยกับตัวนั้นจะเป็นตัวเราเรื่อยเลยใชนะ่ตัวใจเรา น, นั่นเองใจเราไปยึดถือเราขันห้าเข้ามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าขอ ง, ของแบบเอาไว้ห้ามก็ไม่ได้นะเพราะ้จิตมันจะยึดถือ เราเ็าค่อยรู้ไปหน้าวันที่เขาคลายออกจริงๆอ่ะหม่ถึงวันที่จะจบจิตในศาสนาพุทธแหละเหมือนที่เริกเกาะให้ห้าตัวนี่มันจะทิ้งไปก่อนนะสี่ตัวแรกทิ้งไปก่อนทิ้งกายเวทนาสัญญาสังขารนี่ทิ้งไปก่อนเหลือใจอันเดียวแต่แล้วมันจะย้อนเข้ามายึดใจไว้อันเดียวไม่ปล่อยถ้าปล่อยใจได้ก็สบายนะมีแต่ความสุขล้วนๆเลย การที่ใจเราต้องไปแบกบไปยึดนะัเป็นภาระรู้สึกไหมปล่อยไม่ได้ด้วยปล่อยไม่ได้หรอกเป็นภาระนะเป็นทุกขนะ์นะดังท่านถึงว่าขันห้าเป็นภาระเป็นภาระแล้วก็พอไปเกาะไว้ก็หนักของอะไรก็ตามถึงมันตัวมันหนักนะถ้าเราไม่ไปถือไว้มันก็ไม่หนักแต่กระติกนี่ยก็ไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ถือนานๆก็เมื่อยนะถ้าไม่ถือนะมันหนักแค่ไหนก็ไม่เมื่อย ใจเราอยู่ในเกาะแล้วก็ทุกข์ก็ต้องทุกข์ต่อไปเจนฉลาดมัวก็ค่อยๆสะสมความฉลาดไปเรื่อยความเข้าใจนี่งนนสุดท้ายพอเข้าใ จ, จจนะจนะใจแจ่มแจ้งเนี่ยจิตนี้ก็เป็นตัวทุกข์นะแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งเนี่ยจะวางวางแล้วก็พ้นทุกข์นะมือสี่สิบสอง ก็ครับคือบางทีเวลาเรานั่งดูอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันหนีหไปตลอด่ะแต่ว่าคือเหมือนกับว่ามันคือร่างกายก็จะไปด้วยสังเกตว่าตาหรือว่าหนั่งก็จะคือมันจะไปตลอดครับอแล้วคือเราก็คือคือเริ่มไม่แน่ใจครับก็เลยลองลองเพลงดูนี้พอเพลงปุ๊บปรากฏว่ามันมันก็หนีไปอย่างเงมันจะสะบัดอย่าแรงเลยครับแต่ตรงนี้นี่คือยังยังฝึคือเขาสอนธรรมะให้ฟังนะว่าบังคับไม่ได้ เราก็คิดแต่ว่าจะต้องบังครับเพราะ <_ d ata> เราไปวาดภาพการปฏิบัติเอาไว้เพี้ยนเราวาดภาพการปฏิบัติว่าต้องทําอะไรสิ่งที่ทําต้องเหนือธรรมดาด้วยทําสิ่งที่ไม่ธรรมดาแล้วก็ได้สิ่งที่ไม่ธรรมดาเนี่ยเราไปวาดภาพว่าเราจะได้อะไรสักอย่างที่พิเศษมากเลยเวลาเราทําเราก็ทําอะไรที่ไม่เหมือนธรรมด า, ากล่าวว่าจะได้สิ่งที่ไม่ธรรมดา แค่จริงหน้าที่ของเราคือเรียนเท่านั้นอชาวพุทธน่ะเป็นนักเรียนไม่ใช่นักทำนะนักเรียนนะชื่อมันบอกแล้วคําว่าเรียนนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเรียนหน้าที่ไม่ใช่ทำสิ่งที่ได้มาจากการเรียนนะก็คือความรู้แลง้นะเราจะรู้ความจริงของกายของใจเราเรียนเรื่องกายเรื่องใจคอ่อยเฝ้าสังเกตกายสังเกเตเกใจในที่สุดก็ได้ความรู้เรื่องกายเรื่องใจ ว่าเขาไม่ใช่ตัวเราหรอกเขาไม่เที่ยงเขาเป็นทุกข์เขาไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้เราก็ดูคือมันหนีได้ก็ดูท่านตัวเป็นนักเรียนเนี่ยเป็นนักธทำครับไม่ใช่นักดัดแปลงเรียนรู้ตามที่เขาเป็นว่าจริงๆเี่ยกายนี้มีธรรมดาเป็นยังไงจิตใจนี้มีธรรมดาเป็นยังไงเรียนจะเห็นความเป็นธรรมดาของกายของใจธรรมดาของกายของใจคือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรา เรียนใจยอมรับธรรมดานี้ก็คือคาว่าธรรมะนั่นเองใจก็จะเข้าถึงธรรมะยอมรับธรรมะ ใ, ใจเราชอบเหนือธรรมดานร่างกายจิตใจเป็นของไม่เที่ยงอยากให้เที่ยงร่างกายจิตใจเป็นทุกข์อยากให้สุขร่างกายจิตใจเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้อยากบังคับไม่ได้แต่เราอยากได้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมะ งั้นปฏิบัติให้ตายนะธรรมะก็ไม่เข้ามาสู่จิตใจเพราะเราไม่เอาแต่ถ้าเราเรียนเราไปรู้กายรู้ใจจะรู้ว่าธรรมดาของเขาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาาัตตาใจยอมรับธรรมะนะใจก็เข้าถึงธรรมะก็นลุกไปเป็นลำดับลาดับดูไปเรื่อยๆยังทำอยู่ยังพยายามว่าทำยังไงจะถูกทายัางไงจะดีอย่างเงี้ย ถ้ายังคิดว่าทํำยังไงจะถูกทํำยังไงจะดีนะก็จะทําไปเรื่อยๆแต่ให้เรียนรู้ไปเคยรู้สึกไหมเอ๊ดูจิตอย่างดูจิตจะดูยังไงถึงจะดีดูยังไงถึงจะถูกไปคิดอย่างเนี้ยดูยังไงก็ผิดแต่ถ้ารู้อย่างที่มันเป็นมันก็ถูกเลยเช่นถูกสาวชมว่าหล่ออะไรนี้มันดีใจหรือว่าดีใจอย่างนี้ถูกแล้วถูกคนก็ดา เพ่งไว้เพ่งไว้ไม่ให้โกรธหรืพุโทโธพุทโธจะไม่ให้โกรธอันเนี้ทําให้เหนือธรรมดานะอย่าทำให้ เ, เที้ยงไม่มีข้อบก่องคืออย่าบางทีเรานั่งนั่งแล้วหลับตายเงี้ยมันจะรู้สึกอะไรอันนี้มันรู้สึกจ้า <c oughs> สายนั้นก็เป็นธรรมดาของจิตที่มันสายอยากให้มันเที้ยงเหะอยากอยากรู้ว่ามันปกติหรือเปล่ามัน <c oughs> เป็นปกติจิตของเรา ในขั้นนี้ในภูมินี้จิตยังสายเป็นภูมิปกติภูมิที่เริ่มสายนะผ้านาคานะงั้นยังไหวๆไว้ไปเรื่อยสา ย, สายๆไปเรื่อยงั้นเป็นธรรมดาหมอตุ๊กวันนี้มันมัวแต่ก็ใสาแล้วก็อพอใหม่เข้ามาก็ปุเออดีตรงจุดเมัน ก, ก็น้อยหนยเออดีนะขันมันก็มัวจิตมันก็ใสายหรือนะขันมันก็สายไปจิตมันเริ่มสายไป อย่งสายไปด้วยกันมันเหมือนเล่นสนุกเล่นกันเออมันเล่นตามกันไปด้วยให้คอยรู้ไป ห, หมอคงณสารมันแหวงไปแหวงมาอเออมันดีมันไม่เที่ยแหวงซ้ายแหวงขวาแหวงไปข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังแหวงไปรอบิศทางะมันก็เห็กมันมันไม่ยุ่งกับมันะครับทีปอก็เข้าไปยุ่งกับมือนเมื่อไหร่ก็ อเออไม่ค่อยดีหรอกเราไม่ได้เรียนก็ืจะยุ่งกับมันรเราเรียนจะเห็นมันสายทั้งวันทั้งคื น, นคแล้วมันสายเอง ร, รู้สึกไหมมันทํางานได้เองไม่ใช่ตัวเรารรถ้าเราเห็นมันทํางานไปเรื่อยนะวันหนึ่งปัญญาจแจ้งมันไม่ใช่เราหรอกจะเอาตัวรอดแล้อะอี๋ไม่มีอะไรตามหลพอค่ะฮะเรจะขอคาแนะนําจากหลวงพ่อว่ามีอะไรที่ต้อง ใจยังไม่แก่นจะกาะอะไรไว้ติาะเออติดเกาไว้เื่อดเนื่ดหน่วงหน่วงอยู่นี่เน่ยให้รู้เฉยเฉยอย่าไปเกลียดมันอย่าไปพยายามแก้มันด้วยถ้าพอเราใจไปเกาะความหน่วงหน่วงเนื่อดเนื่ดไว้เนี้เราไม่ชอบให้รู้ที่ใจไม่ชอบอย่ามัวแต่ไปดูว่าไอ้ตัวเนื่อดเนืเมื่อไหร่จะหายไปดูผิดตัวนี่ เห็นการทำงานองกายใจที่มันเปลี่ะแล้วก็ลักษณะการรู้เคยรู้เบาๆพอไปรู้อะไรแล้วมันก็จะกลับมาที่ฐานหัใจนะคะอย่าดึงกลับมานะมันเหมือนกับไม่ได้ดินแต่เหมือนกับเขาเออแล้วมันมาเองมันจะเบาแต่มันรู้สึกว่ามันเหมือนกับทําไมมันดูกรอไปเรื่อยๆตอนนี้ใจมันเลื่อนลอยไปนิดหนึ่งใจไม่ตั้งมั่นนะใจไม่มีแรงดูออกไหมแล้วมันไม่แช่มชื่นดูออกไหมเออ ใจเรามีกิเลสแทรกนะมันไม่ใช่รู้ตื่นเบิกบานมันรู้แต่มันรู้แห้งๆ แ, แรงๆเองนั่นแหลอย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะแล้วก็ต้องปลุกใจให้มันชึกคักไว้หน่อยใจมันพ่อแป๊ไปตรงนี้ต้องช่วยมันนิดหนึ่งเร้าให้มันตื่นตัวขึนนิดหนึ่งสองสันนี้ได้พยายามดูติดตัวลอยต่อ เล็กๆน้อยที่ท่านเรียกว่าเว้นวักกอะไรนะเว้นวักอ๋อแต่ อ, อย่างเช่นเวลานอนเนี่ยลุกตัวขึ้นมาบางทีไม่ได้ดีตอนหลังก็ค่อย ส, สังเกตว่าอะไรที่ <c oughs> บางทีเราจะเผลอหรือช่วงรอยต่อเล็กๆน้อยๆคอนเสิร์ตอยู่ตรงนั้นดีแล้วเป็นยิ่งใหมากแล้ น, นแต่ว่าอย่าอย่าพยายามจนเครียดนะเด <c oughs> ินจะรู้ต้องรู้เล่น รู้เองแต่ว่าต้าใส่ใจนิดหน่อยตัวใส่ใจนิดหน่อยนี่เรียกมนานับสิกขาโนี่นสอนมาเองเหรอเบอร์สองเนี้ยสอนมาก้างคนนี้ <c oughs> อนบ้างนิดหน่อยถ้าเกิดเขาถามนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ถามอะไรก็มไม่ได้เขาเ้<อ>าไปฮัลโหลโบใจแข็งหน้าดูเลยแล้วไงโบอะของโบเป็นไงอันนี้ มันคลิกเคลียที่นิดนะคะมันอะไรนะมันเกิดอาการคลิกเคลีครครยร์ขึ้นมาแล้วก็ปกตินี่พ่อเห็นจิตกระเพื่อมไหวไปตามเหตุใจนะคะแล้วก็ส่วนมากก็เป็นเพราะว่าถ้ากระเพื่อมแรงๆหน่อยก็เป็นเพราะว่าสังเกตว่ามันมันไม่เท่าทันการจงแต่งช่วงแรก น, นะคแะลลแล้วก็ดึกๆก็เห็นว่าจิตมันยึดกายอยู่เหนียวแน่นจิตมันอะไรนะยึดกายอยู่เหนียวแน่นก็ สมากก็ก็ดูสังเกตเห็นแล้วก็ไม่ไม่ได้ดีอะไรมากมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะยังจิตจะยึดกายหรือจิตจะยึดขันเนี่ยก็มันยังไม่มีปัญญามันยังเห็นว่ากายนี้เป็นของดีเป็นตัวเราเป็นของดีเป็นของวิเศษถ้าเมื่อไหร่มันเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นก้อนชาติก้อนขันเป็นสิ่งที่ถูกความทุ้งบีบคั้นตลอดเวลาจะยืนจะเดินจะตั้ ง, จ ะ, งจะนอนมีแต่ทุกข์ล้วนๆนะ อย่างนี้นถึงอยอมวางทีนี้ตรงนี้ควรจะไปเห็นตรงอาการตรงนี้ยไปยืดเหนียวตรงนี้บ่อยแลค่ะก็ดีแล้วนะก็ก็แค่ปกติก็คือจะเรืองวอร์ก็ไม่ได้อะไรมากกรู้ถูกต้องแล้วนะเรื่องกายนี้จริงๆถ้าจะวางกายได้ก็ต้องเห็นมันเป็นก้อนทุกข์กายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นเรื่อยๆอย่างเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งเดี๋ยวๆก็เมื่อย น, นะเราต้องขยับเปลี่ยนอิเดียบทแก้เมื่อย เปลนตัดเดียวเมื่ออีกแล้วก็ทุกข์อีกแล้วต้องขยับใหม่เนี่ยใครดูไปอย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดปัญญามันจะแจ้งกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวก็ทุกข์มากเดี๋ยวก็ทุกข์น้อยถ้าอย่างนี้มันจะค่อยวางกายแต่ว่ากายจริงๆเป็นของวางง่ายถ้าเราดูเข้ามาที่จิตที่ใจเราเห็นว่าจิตใจไปยึดร่างกายนะแล้าจิตใจก็มีความทุกข์เห็นอย่างนี้ก็วางเหมือนกันนะ เพราะว่าจิตมันไม่อยากจะทุกข์มันก็เลยไม่จะยอมยึดกายงั้นถ้าเราเห็นทุกข์ที่กายนะก็ปล่อยวางความยึดกายได้เราเห็นทุกข์ที่จิตไปยึดกายก็ปล่อยวางความยึดกายได้งั้นดูที่จิตก็ปล่อยกายได้ส่วนมากโบเห็นว่ามันทุกข์อยู่ตรงอาการของยึดเลยเจ้าค่ะก็ให้รู้ทันนะอย่าไปอยากหายอย่าไปอยากไม่ยึดเมื่อะไหร่มีความอยากซ้อนขึ้นมาความทุกข์ก็ซ้อนขึ้นมา ให้รู้ท่านลงปัจจุบันไปเรื่อยเช่นพอมันเห็นจิตยึดกายไม่ชอบเนี่ยให้รู้ที่ไม่ชอบอย่าไปดูที่ยึดกายมี่กายเป็นอดีตแนละ้วปัจจุบันจือไม่ชอบให้รู้ลงปัจจุบันแไปเดี๋ยวม่นค้อดสายเดีครับก็เป็นผู้ที่ขึ้นสนใจอะครับที่เริ่มเข้ามานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะคือเป็นคนที่ชอบคิดออกข้างนอกนะครับ ฉันว่ามีคนพูดอะไรเกี่ยวกับเราก็จะสเกตเห็นการอะไรเงี้ยครับก็พยายามที่จาหาอะไรที่มันลดลงหน่อยนี้ยครับก็เป็นเพิ่งจะเริ่มเริ่มทำครับหัดใหม่ๆนะหัดรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆจิตใจของเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคอยรู้ไดเรื่อยๆนะอย่างนี้ใจยังติดการบังคับอยู่นะยังบังคับอยู่ไปทําสมถะแบบไหนมา ไม่ได้ทําเหรอนะทำไมติดบังคับได้รู้สึกไหมเราบังคับตัวเองข่มมันไว้อย่าไปข่มมันเรียนรู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่ไปบังคับมันถ้าเราบังคับมันนะมันไม่สุขไม่ทุกข์กลายเปนทื่อๆไปงั้นน่ะไม่ดีไม่ชั่วนะเมื่อทื่อๆไปทั้งวันทั้งคืนงั้นไม่ดีอยากอยากข่มไหมรู้ทันไหมว่าไปบังคับมันมันโกรธ ได้ฟังพ่ออธิบายเรื่องตัวนี้เกี่ยวกับการที่พอไปเห็นทุกเห็นเวทนา เ, เริ่มไปดูเฉยๆก็ปล่อยเองเมื่อวานพริิโยมก็ขับรถจากกลับจากวัดบุญเาวัดรถติดก็เลยเครียดเวทนาเกิกดขร้นก็ดูเฉยปล่อยคร่าวก็คลายก็เห็นทุกข์ก็ปล่อยไปเออทุกข์ก็เรื่องของมันนะอย่าไปทุกข์กับมันเกน็เลยรู้สึกสบายแต่ขันมันทุกข์สใจไม่สบาย เออต้องอย่างนั้นสิแล้วฝึกใจขันนั้นเป็นทุกข์นะใจ <ไป S 1> สบายอย่านึกนะว่าขันของพระเรหันไม่ทุกข์ อ, อ่ะถึงเป็นพระเรหันก็ทุกข์นะ <c oughs> แต่ใจมันสบายออแล้วนี่แหละยังแก้อาการเพ่งไม่ได้อยากแก้เลยให้รู้ทันไม่อยากแก้นะ <c oughs> แค่นั้นพอล้ว <c oughs> ให้รู้โลกปัจจุบันอย่างสึจิตเราไปเพ่งปั๊บ เ, จจ เ, เ พ, งเเพ่งเป็นปัจจุบันก็อยากจะเลิกเพ่งอยากเลิกเพ่งเป็นปัจจุบันเพ่งเป็นอดีตให้รู้ลงปัจจุบันไปให้ใจเป็นกลางมันก็เลิกเพ่งไปเองเพราะเพ่งเหมือนไม่เที่งอ่าวเชียงใหม่เพืรู้สึกว่าเมื่อวานที่ท่านเพี่ทนโยฟังเรื่องปัญหาอยากปฏิบัตินะคะแล้วก็เข้าใจแล้วค่ะนี่รู้สึกว่ามันเบาขึ้นค่ะมันไม่มันไม่กดข่มมาที่แล้วแล้วมา แต่ยังปกครองนะงงออกไหมยังปกครองไห้แลแ้วแหละยังมีตัณหานะ่ะถึงได้ปกคอง <c oughs> ไปดูต <c oughs> ่อก็ฟุงุ้เปืนครับต่นตมะิจิมีโมหานิดหนึ่งดูออกไหมมัวมัวมัวนิดหนึ่งนะแล้วมันฟุ้งซัานให้รู้นะรู้แล้วใช้ได้ละ พวกเรามาเรียนสักพักหนึ่งเนี่ยเราเริ่มดูสภาวะได้การที่เราดูสภาวะได้เนี่ยเราจะเห็นธรรมะสภาวะทั้งหลายจะแสดงธรรมะทั้งวันทั้งคืนนะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงให้ค่อยรู้ไปวันหนึ่งใจยอมรับธรรมะยอมรับความจริงใจนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นปุ๊บไม่ใช่เรายอมรับค่อยวางไปวางไปมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นคนรอบตัวเราก็มีความสุขนะหลายๆบ้านเลยเห็นบ้านเนี้ย ทีฬกเมียมาก่อนนะสามีรู้สึกสามีรู้สึกภรรยาเปลี่ยนไลยเม่มาเรียนบ้างนะทั้งบ้านเลยเย็นเลยนี่ห่างหลวงพ่อมาไม่รู้ร้อนกับหยาดเขายัาง